จเจริญพรท่านสาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันอาทิตย์แรมสิบสี่ข้ามเดือนสามเป็นวันพระเป็นวันอุโบสถเป็นวันทัพมัดสวรรเป็นวันฟังธรรมการที่ท่านทั้งหลาย มาที่วัดอย่างสม่ำเสมอและมาประกอบกิจาศาสนาะกิจต่างๆอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเป็นจริม ง, งคลแก่ชีวิตของท่านเพราะว่าสิ่งต่างๆที่าศาสนาได้สั่งสอนได้บอก ให้เราได้ปฏิบัตินั้นล้วนเป็นเหตุที่จะนำมาสู่ความผาสุขล่ำเย็นความปราศจากทุกข์ภัยต่างๆเพราะว่าศาสนานี้เป็นศาสนานที่เกิดจากขอบเกิดจากบุคคลที่ชาญฉลาดบุคคลที่มีปัญญามีดวงตาแห่งธรรมซึ่งเป็น ดวงตาที่ประเสริฐเลิศโลกกว่าดวงตาที่เร็ว ม, มีกันอยู่คือคือดวงตาที่เรามีอยู่กับร่างกายนี้เพียงแต่มองเห็นสภาพที่เป็นรูปธรรมได้เท่านั้นแต่สภาพที่เป็นนามธรรมาเช่นความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมความเป็นสิริมงคลหรือความอัปปมมงคลทั้งหลาย ดวงตาของร่างกายจะไม่สามารถมองเห็นได้ต้องอาศัยดวงตาแห่งธรร ม, มซึ่งเป็นดวงตาของใจ<ม>ที่จะสามารถมองทะลุเข้าไปในส่วนของนมามธรรมที่ละเอียดกว่ารูปธรรมที่มองได้ด้วยดวงตาของร่างกาย เราจึงต้องมีพระศาสนาเป็นผู้สอนเราเพราะว่าพระศาสนาเกิดจากผู้มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระสมเด็จพระรานตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศ า, าสดาเป็นเบื้องต้นหลังจากที่ทรงได้ตัดสรูธรรมทรงเห็นถึงเหตุของสุขและทุกข์ ทรงเห็นเหตุของความเจริญและความเสื่อมจึงได้นำเอามาประกาศสั่งสอนให้กับสารโลกสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนจึงเรียกว่าธรรมะคือพระธรรมคาสอนและเมื่อได้ประกาศพระธรรมคำสอนไปแล้วก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ที่มีความฉลาดพอที่จะเห็น ตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสั่งสอนก็นำไปปฏิบัติตามจนทำให้ปรากฏเป็น <c oughs> ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาภายในใจของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจียงกายเป็นพระอริยสงสาวกขขึ้นมาทั้งสามคือพระพุทธ พระธรรมพระสงค์จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างของพระพุทธศาสนาที่ช่วยนำพาสัตว์โลกให้ดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งกแก่สัตว์โลกผู้ปรารถนาะความสุขความเจริญผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะว่าสัตว์โลกนั้นโดยลำพังยังไม่มีความสามารถพอที่จะนํำตนให้ไปสู่จุดที่ตนปรารถนาได้ จึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำพาไปดังนั้นพุทธศาสนิกชนทุกครั้งเวลาที่ประกอบาศาสนกิจต่างๆจำจะต้องนัลึกถึงพระบรมราสาดาเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะยึดเอา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นผู้นำพาชีวิตของตนไปสู่ในทิศทางที่ดีที่งามดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอเพราะว่าเมื่อได้ร ะ, ะลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเกิด มีปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดที่จะนาเนินชีวิตไปให้ถูกต้องดีงาม น, นั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราเระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเราก็จะเราลึกถึงวิถีทางที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวก็ดีได้ดาเนินไปและ ผลที่ท่านได้บรรลุถึงนั้นเป็นอย่างไรทำให้เราไม่หลงทางไม่ลืมที่จะประพฤติตามในวิถีทางที่ท่านทั้งหลายได้ดำเนินมา <c oughs> เราจึงต้องเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่เสมอเพราะเมื่อเราเจริญแล้วจิตของเราก็จะได้มี ความอ่อนคือมีความที่จะไปตามกระแสของธรรมถ้าเราไม่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจของเราซึ่งมีกระแสของบาปกรรมคือมีกิเลสตัณหา <c oughs> โมหะอวิชชาที่จะคอยชุดลากพาเราไปสู่ กระแสของความบาปกรรมทั้งหลายซึ่งจะนำผลที่เราไม่ปรารถนามาให้กับเรานั่นก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลาย <c oughs> ดังนั้นเราจึงต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีก็หมายความว่าเราต้องทำความเข้าใจ ทำความรู้จักว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นคืออะไรเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้นำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นนำเข้ามาสู่ใจของเราได้ด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็เป็นบุคคลธรรมดาสามัญอย่างพวกเรามีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงครอบงำ พระไตของพระ อ, องค์ท่านแต่พระ อ, องค์ทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพิษเป็นภัยจึงได้ออกปฏิบัติธรรมด้วยการศึกษาจากผู้รู้ที่มีอยู่ในสมัยนั้นและทรงได้รับความรู้ไปในระดับหนึ่งสามารถทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยคือกิเลสตัณหา นั้นเบาบางลงไปอ่อนตัวลงไปแต่ไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสตัณหานั้นหมดไปจากจิตจากใจได้เพราะในสมัยนั้นไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดรูปใดองค์ใดที่มีความรู้ที่จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจของสารโลกได้ จึงพระพุทธองค์จึงต้องแสวงหาด้วยพระ อ, องค์เองโดยการทดลองวิธีการต่างๆจนในที่สุดก็ได้พบกับวิถีทางแห่งการนำไปสู่การดับทุกแห่งการทำลายกิเลสตัณหาหาก็คือมรรคที่มีองค์แปดเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามรรค นี้เป็นวิธีที่จะนำสัตว์โลกไปสู่การดับทุกได้พระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงตัดสรู้ธรรมนี้แล้วสามารถนับทำให้พระทยของพระ อ, องค์สะอาดบริสุทธิ์จึงกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาคำว่าพระอรหันต์นี้หมายถึงผู้ที่มีจิตใจสิ้นกิเลสแล้ว ในใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่เลยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติมรรคแนั่นเองเมื่อหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจึงได้นำสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงรู้นี้มาประกาศสอนให้กับสัตว์โลกพระพุทธองค์จึงมีพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือทรงเป็นผู้ตัดสรรู้รมด้วยพระ อ, องค์เองเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสั่งสอนถึงวิธีการที่จะทำให้หลุดพ้นจากกองทุกได้ยึงต้องขวนขวายศึกษาเอาเองจนกระทั่งได้พบกับโมระธรรมหรือวิมุตติธรรมคือจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการปฏิบัติมรรคแป จึงเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้นำนี้สิ่งเหล่านี้มาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกถ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้สตย์สรู้แล้วมีไม่มีความปรารถนาที่จะประกาศสั่งสอนธรรมะให้กับสัตว์โลกพระพุทธองค์ก็จะเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าไปนั่นก็คือทรงตัดสรู้ธรรม ทรงทาให้พระทัยของพระ อ, องค์นั้นสะอาดบริสุทธิ์แต่ไม่ได้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประกาศสัมสอนให้กับสา์โลกถ้าเป็นในกรณีนั้นก็จะกลายเป็นพระประเจกขพุทธเจ้าไปคือรู้เฉพาะตนไม่ไม่ไม่ได้สะไม่ได้เอามาเผยแผ่แบ่งปันให้กับผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้าของเรานีนทรงเป็นผู้มี ผู้เปี่ยงด้วยพระมหาการุณาที่คุณที่มีความสงสารสัตว์โลกที่ยังเห็นจังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์และถ้าพระพุทธองค์ไม่นาธรรมะอันนี้มาประกาศสั่งสอนให้กับสัตว์โลกสัตว์โลกก็จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เลยแต่ถ้าพระพุทธองค์ได้ทรงนาพระธรรมคาสอนนี้มาประกาศสั่งสอนแล้ว สัโลโผู้ที่มีบารมีสะสมมาแต่เดิมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดศรัทธาจะเกิดปัญญาขึ้นมานำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปปฏิบัติแล้วยกตนให้พ้นจากจากความความทุกข์ได้นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธเจ้าของเราที่หลังจากได้ทรงตรัสรู้แล้ว แทนที่จะอยู่นิ่งเฉยเก็บธรรมะอันประเสริฐนี้ไว้ไม่สั่งสอนพืออื่นทรงอุทิศเวลาที่ทรงเหลืออยู่ตลอด45ภาะพรรษาใช้เวลาเหล่านี้มาประกาศธรรมะสั่งสอนสัตว์โลกโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรจากผู้ที่รับการสั่งสอนเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเพราะว่าพระพุทธองค์ น, นั้น เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แล้วในทุกสิ่งทุกอย่างพระใยของพระ อ, องค์นั้น <c oughs> ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระอริยาทรัพย์ที่ให้พระ อ, องค์มีแต่ความสุขให้พระ อ, องค์ไม่มีความทุกข์แม้แต่น้อยนิดดังนั้นการสั่งสอนจึงสั่งสอนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีความปรารถนาที่จะรับการสรรเสริญยกย่องไม่ได้มีความปรารถนา ที่จะรับอามิตรสินจ้างอะไรทั้งสิ้นเลยทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะว่าทรงเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนและทรงเห็นคุณค่าของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายว่าไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ จึงได้นำเอาพระธรรมคําสอนมามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลก mm hmm. เมื่อมีผู้ได้ยินได้ฟังนําไปปฏิบัติ mm hmm. ก็สามารถทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดสิ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงสิ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากกิเลสตัณหาได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพื่อกลายเป็นพระอารหันต์ขึ้นมา แต่เราไม่เรียกท่านว่าเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราเรียกท่านเหล่านี้ว่าเป็นพระอาหารหันตสาวกคําว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังหมายความว่าพระอาหารหันตเหล่านี้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตขึ้นมาได้ด้วยการฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําคําสอนนั้นมาปฏิบัติตามคือโดยลําพัง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งสอนท่านเหล่านี้จะไม่มีความสามารถในตัวของท่านเองที่จะสามารถค้นคว้าหาวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้จิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ทําลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ต้องอาศัยจากการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้คือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น จึงจะเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสได้ท่านเหล่านี้จึงกลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเรียกว่าพระอรหันต์สาวกแล้วหลังจากนั้นท่านก็ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนจึงทำให้ศาสนาพุทธของเรานี้มีอายุยืนยาวนานมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็ประมาณสองพันห้าร้อยกัปีแล้วก็เกิดจากพระรัตนตรัยของเรานี่เองคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเริ่มแรกเสร็จแล้วก็นำสิ่งที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นมาเผยแผ่สั่งสอนจนมีพระอ า, ารามสาวกปรากฏขึ้นมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันพระิณพานไปแล้ว พาาระอรหันตสาวกเหล่านี้ก็นำธรรมะคำสอนของพ ร, พระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็หลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกต่างขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสืบเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้า เริ่มประกาศสั่งสอนพระพุทธศาสนาพระศาสนาของเราจึงมีอายุยืนยาวนานได้ถึงทุกวันนี้ก็เกิดจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุมีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญามองเห็นว่า อะไรเป็นโทษอะไรเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจเมื่อเห็นว่าสิ่งใดเป็นโทษก็ทําลายสิ่งนั้นเสียไม่ส่งเสริมไม่ไม่สนับสนุนสิ่งที่ไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับการสนับสนุนในที่สุดก็ต้องตายไปสูญสลายไปนี่แหละก็คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาและตั้งอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ก็อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ทำให้ศาสนาของเราจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกๆวันนี้และก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นพุทธศาส น, นิกชนที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยการเข้าวัดเข้าวาอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคําสอนนี้ไปปฏิบัติกับตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติแล้วจิตใจของเราก็จะค่อยสะอาดไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติของเราจนในที่สุดก็จะสะอาดหมดจดใจของเราก็จะกลายเป็นใจของพระอริยสงฆ์สาวกต่อไปแล้วเราก็จะได้นำสิ่งที่เราได้รู้นั้นมาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไป โรกก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าผู้ที่มีความรู้แล้วจะรู้ว่าในโลกนี้นั้นไม่มีอะไรมีคุณค่ามีความสําคัญเท่ากับจิตใจของเราและพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าจิตใจของเราได้รับพระธรรมคําสอนเข้าไปอยู่ในใจแล้วจะทําให้จิตใจของเรา มีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราเมื่อใจเรามีความสงบร่มเย็นแล้วก็จะไม่มีความหิวความกระหายกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในโลกดีเพราะใจเห็นได้ด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกดีนั้นหาใช่เป็นความสุขไม่หาใช่เป็นสิ่งที่จเจริญไม่แต่กลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ มีแต่ความทุกข์เคลือบแฝงอยู่ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวเปรียบเหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมน้ำตาลที่เคลือบยาขมนี้เราก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นผิวบางๆเวลาเราเอายานี้เข้าไปในอง์ในปากตอนต้นก็จะมีรสหวานแต่เมื่อน้ําตาลที่เคลือบนั้นละลายหมดไปแล้ว ก็จะเหลือแต่ความขงฉันใดความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆภายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญหรือกะหรือการมสุคือความสุขที่ได้สัมผัสลูกเสียงกลิ่นรสผดสัพทั้งหลายนี้ล้วนเป็นความสุขที่เบาเฉียบบางแล้วก็มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ ถ้าไม่ถ้าไม่เป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ควรจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งๆ ท, ที่เราทุกคนก็มีลาบยศสรรเสริญกรามสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่เรากลับไม่มีความสุขบริบูรณ์เราก็ยังมีความสุขบ้างแล้วก็มีความทุกข์สลับกันไปนั่นก็เป็นเพราะว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงและในตอนปลายของชีวิตเรามันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปทั้งสิน้นเพราะโดยสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้กระทั่งอัตภาพร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่กิขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็ต้องดับไปถ้าเรา ยึดหรืออาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดการสูนสิ้นไปมันก็นําพาให้เราเกิดความทุกข์ภายในใจขึ้นมาเราไม่ต้องมองไกลแล้วมองชีวิตของเราเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เราเกิดมานั้นเราก็ต้องมีการทัดพรกจากของรักของชอบ ในสมัยเด็กๆ เ, เราอาจจะต้องสูญเสียปู่ย่าตายายไปเพราะเมื่อท่านอายุของท่านมีอายุมากท่านก็ต้องถึงแก่ความตายไปใ น, ในที่สุดเวลาที่จากท่านจากเราไปเราก็มีความเศร้าโศกเสียใจรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุเข้าของต่างๆเวลาเรามีเราก็มีความสุขพอเราสูญเสียไป เราก็มีความทุกข์แต่เราไม่เคยหยุดคิดเลยว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีกับเรื่องเหล่านี้เราก็กลับไปหาสิ่งอย่างอื่นมาทดแทน mm hmm. เช่นเราสูญเสียสิ่งหนึ่งไปแล้วก็หาสิ่งอื่นสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งใหม่ที่มาทดแทนไม่ช้าก็เร็วก็สูญเสียไปอีกเราก็ต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนอีกชีวิตของเราก็มีแต่ คอยวิ่งตะครุบเงาอยู่ตลอดเวลาวิ่งพอได้สิ่งนั้นมาไม่นานสิ่งนั้นก็หายไปหมดไปความทุกข์ก็กลับมาหาเราเอีกเราก็เลยมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งเข้าหาความสุขนั่นเองเราวิ่งเข้าหาความทุกข์กันเพราะความหลงเพราะความมืดบอดของใจของเรา แต่เราโชคดีเดี๋ยวนี้เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอคำสอนของผู้รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าที่ได้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่หลอกลวงเป็นความสุขที่มีอยู่เพียงชั่วประเดียวประดาแต่จะมีความทุกข์ตามมาเสมอ ถ้าไม่ต้องการความทุกข์จากอะไรจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเพราะโดยธรรมชาติของตัวเราหรือใจเรานี้สามารถมีความสุขได้โดยลําพังคือไม่ต้องมีอะไรก็สามารถมีความสุขได้พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้ว หลังจากที่ได้ทรงตัสรู้เป็นพระอาหารหันต์ัสมาสามพุทธเจ้าก็ไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่มีบุคคลมาเป็นเพื่อนมาเป็นภรรยาไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมาให้ความสุขเหมือนกับพวกเราพวกเรายังต้องมีบุคคลคือมีสามีมีภรรยาไว้ให้ความสุขกับเรามีวัตถุเข้าวของต่างๆเช่น เครื่องอำนวยครืเครื่องบันเทิงทั้งหลายเราต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่มีสิ่งเหล่านี้ความสุขมันก็มีเพียงเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ไปดับความทุกข์ที่ตามมาได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ดำเนินตามแนวาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองดังนั้นใน โอกาสที่เราได้เกิดมาในชาตินี้เป็นบุญเป็นวาสนาที่เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่ชี้ทางถึงความสุขที่แท้จริงให้กับเราเราจึงควรเราจึงควรที่จะขวนขวายปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราพยายามตัดความผูกพัน ต่อสิ่งต่างๆ ท, ที่มีอยู่ภายในโลกนี้พยายามลดละอย่าไปสะสมอย่าไปอยากให้มีมากขึ้นในบรรดาสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสะละเสริญหรือการมขแทนที่เราจะวิ่งเข้าหาแทนที่เราจะสะสมสิ่งเหล่านี้ให้มีมากขึ้นเราควรที่จะลดละให้ มีน้อยลงไปควรจะถอยออกหาอ่างอยากเข้าใกล้เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเปรียบเหมือนกองไฟถ้าเราเข้าใกล้กองไฟไฟก็จะเผาเราแต่ถ้าเราถอยออกห่างไฟก็จะไม่ทำความร้อนให้กับเราได้ฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้คือราบยศสรรเสริญการมพสุขก็เป็นเช่นนั้นเรา ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าออเถอะแล้วเราจะประสบกับความสุขที่แท้จริงเพราะเมื่อเราถอยออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วใจของเราก็จะเริ่มสงบเริ่มเย็นไปเรื่อยๆกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากต่างๆก็จะน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดสุดก็จะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยเราจึงต้องปฏิบัติตาม มรรคที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับพวกเราเพราะมรรคก็คือทางดำเนินที่จะพาเราให้พ้นจากกองทุกข์ของลาบยศสารเสริญสุขนั่นเอง mm hmm. เราจึงต้องมาที่วัดกันเพื่อทำบุญให้ทาน mm hmm. เพื่อรักษาศีลและปฏิบัติธรรมคือจเจริญจิตตภาวนา mm hmm. เพราะการกระทาทั้งสามนี้จะเป็นผลทาง ที่จะพาให้ใจของเรานั้นถอยออกห่างจากกองทุกข์ทั้งหลายที่เรายังเกี่ยวข้องอยู่ที่เรายังไม่สามารถที่จะดิ้นลุดออกไปได้ตามลาพังของเราเพราะว่าเราถูกเครื่องพัฒ น, นาการผูกมัดไว้เครื่องที่ผูกมัดใจของเราไว้กับราบทศสาเสริญสุกนี้ก็คืออุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองและอุปทานนี้จะไม่หยุดออกไปโดยลําพังแม้ว่าเราจะมีความปรารถนาแม้ว่าเราจะไม่อยากจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะซึ่งเปรียบเหมือนกับมีดที่แหลมคมมาตัดเครื่องพันธนาการให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถที่จะดิ้นดุดพ้นจาก กองทุกเหล่านี้ไปได้เลยเราจึงต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือให้เราทำบุญให้ทานอยู่เสมอไม่แต่เฉพาะวันพระเท่านั้นเราควรจะทำทานทุกๆวันถ้าเรามีโอกาสที่จะทำได้ การทำบุญให้ทานนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระภิกษุสา ม, มนเณรเท่านั้นเราสามารถทำกับคนใกล้เคียงได้เช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาหรือบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราสามารถให้เขาได้เราให้ในสิ่งที่เรามีเช่นเรามีเงินทองเหลือใช้เราก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินทอง เราก็ยังสามารถให้อภัยเขาได้เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราก็คงจะต้องมีการทะเลาะบาะแว้งมีความไม่เข้าใจกันมีความโกรธเคืองกันแทนที่เราจะมาโกรธกันมีความอาฆาตพยาบาทกันเราก็มาให้อภัยกันดีกว่าเพราะการให้อภัยทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเงย็นเป็นสุขคนที่เราโกรธเขาก็สบายใจเราก็สบายใจ แต่ถ้าเราไม่ให้อภัยใจของเราก็จะร้อนคนที่เราโกรธเขาก็จะไม่สบายใจนี่ก็คือการให้เหมือนกันดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการให้นั้นมีให้ได้หลายอย่างหลายวิธีไม่ใช่แต่เฉพาะจะต้องให้แต่เงินทองเข้าของอย่างเดียวให้อภัยก็ได้ให้วิชาความรู้กับผู้อื่นก็ได้ให้ธรรมะ